วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2เมษายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริสัตว์ผู้มีจิตใฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อที่จะได้มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้รู้ว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นควรจะดำเนินกันอย่างไรเพื่อที่จะนำชีวิตของพวกเราให้ไปสู่ <c oughs> ความสุขความเจริญความหนุพทนจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ <c oughs> ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เส้นทางชีวิตของพวกเรานี้ก็มีอยู่เส้นมีอยู่สองเส้นทางใหญ่ๆด้วยกันคือเส้นทางที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดในตายพบในสังสารวัฏและเส้นทางที่จะนําให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ไปสู่ ทานิพานมีสองเ ส, เส้นทางให ญ, ใหญ่เหมือนกับประเทศไทยนี้เราก็มีเส้นทางสายหลักอยู่สี่สายด้วยกันเส้นทางหมายเลขหนึ่งก็ขึ้นเหนือไปเชียงใหม่เส้นทางหมายเลขสองไปทางอีสานเส้นทางหมายเลขสามก็มาทางตะวันออก ถ้าเส้นทางหมายเลขสี่ก็ไปสู่ทิศใต้ไปสู่ปักใต้นี่คือเส้นทางหลักของประเทศไทยมีอยู่สี่เส้นทางด้วยกันไปสู่สี่ทิศส่วนเส้นทางของชีวิตของพวกเรานี้ก็มีอยู่สองเส้นทางใหญ่ๆเส้นทางที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิด ในกามภพบในรูปพบและอรูปพบและเส้นทางของชีวิตที่พาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่มรรคผลนิพพานเส้นทางนี้เส้นทางที่สองนี้เป็นเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ค้นพบโดยพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า มาตัดสรู้เส้นทางนี้แล้วนำเอาความรู้มาเผยแพร่เกี่ยวกับเส้นทางสู่มรรคผลนิพพานจะไม่มีสตรโลกในโลกนี้ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบนี้จะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองก็จะไม่รู้ว่ามีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้ก็จะไปเส้นทางเดียวกันทั้งหมด ก็คือไปเส้นทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพนี่เอง <Yeah. S 1> นี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าความวิเศษของพหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนให้เราได้รู้จักว่ามีเส้นทางเลือกอีกเส้นทางหนึ่งที่จะพาให้เราเออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ให้เราได้ไปสู่ที่สุขที่เจริญที่ถาวรที่แท้จริงที่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาตัดสร่งและมีพระศาสนาพระพุทธศาสนาที่จะรับช่วงต่อจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปแล้ว ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจากโลกนี้ไปพระพุทธเจ้าได้ทรงก่อตั้งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันที่จะาทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าทำหน้าที่นำเอาเส้นทางอันประเสริฐของชีวิตนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่อนุชนรุ่นหลังอย่างพวกเรา ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้และได้นำเมาไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดของชีวิตคือได้พบความสุขที่สูงสุดของชีวิตคือความสุขของพระนิพพานและได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบ ในการมาพบในรูปพบและอารูปพบนี่คือเส้นทางของชีวิตที่มีอยู่เส้นสองเส้นทางใหญ่ๆเดิมทีจะมีอยู่เส้นเดียวก็คือเส้นทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้าสักคนหนึ่งที่มีความสามารถในทางด้าน การศึกษาในการด้านปฏิบัติจิตภาวนาที่จะสามารถค้นพบเส้นทางแห่งมรรคผลลีพานได้เส้นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเรานี้ต้องถือว่าเราเป็นเป็นลี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างมาก เพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสอนเส้นทางธรรมแบบนี้แล้วโวกเหล่านี้จะไม่มีวันที่จะหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยเราจะมาเกิดมาแก่เมื่อเจ็บมาตายกันแล้วหลังจากที่เราตายไปเราก็จะไปเปลี่ยนภพไปอยู่ภพที่ดีบ้างภพที่ไม่ดีบ้างและหลังจากที่ พบที่เราได้ไปนั้นได้หมดกำลังลงได้หมดอายุขายลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่แล้วเราก็จะมาเวียนว่ายตายแล้วเราก็จะมาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่มาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพลาดพากจากสิ่งและบุคคลที่เรารัก แล้ทุกข์กับการที่จะต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันเป็นสิ่งเป็นความทุกข์ต่างๆที่พวกเราทุกคนนี้กำลังประสบกันไม่มากก็น้อยและจะประสบกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เพียงแต่พบนี้ชาตินี้เท่านั้นตายไปถ้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเส้นทางชีวิตของเรา เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่อยู่เรื่อยๆไม่มีวันส้นสุดจะส้นสูดได้ต่อเมื่อเราได้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเดินของชีวิตของเราแทนที่เราจะเดินไปตามเส้นทางแห่งการยินไหว้าตายเกิดเราก็จะมาเดินในเส้นทางสู่มรรคผลนิพพานสู่การสู่วิมุตติหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่คือเส้นทางชีวิตของพวกเราซึ่งขณะนี้พวกเราแทกทุกคนก็ยังอยู่ในส้นเส้นทางเดิมนี้อยู่เราอยู่ในเส้นทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่เดินเส้นทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเราก็ยังถือว่าเรายังอยู่ในเส้นทาง แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเส้นทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ประกอบด้วยอะไรอะไรที่ทำให้พวกเรานี้เดินอยู่ในเส้นทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ทำให้พวกเรายังเวียนว่ายกันอยู่ในใตายภพนี้อยู่ก็คือความอยากสามประการด้วยกันนี้ความอยากประการแรกเรียกว่าการมตตัญหา ความอยากเศษกรรมมาคุณห้าคืออยากเศษรูปเสียงกลิ่นรสโดทัพระและความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวะตัณหาความอยากทั้งสามนี้จะเป็นตัวที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดในใตรกุอยากในกรรม การมาทันหาอยากในกามก็จะพาเราไปเกิดในกามมาภพอยากในภาวะทันหาก็จะพาให้เราไปเกิดในรูปภพอยากในวิภาวะทันหาก็จะพาให้เราไปเกิดในอรูปภพนี่คือสามภพที่ประกอบขึ้นเป็นสังสารวัตหรือไตรภพการมาภพนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ยังเสกกามอยู่ สัตว์ที่ยังเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดสัตว์ที่ยังติดรูปเสียงกลิ่นลดอยู่นี้จะมาเกิดในใจพบให้ในกามมนีรรมบและก็มีกามมพบนี้ก็แบ่งไว้เป็นสองซีกใหญ่ๆซีกที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์เรียกว่าสุขคติและซีกที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขเรียกว่าทุกขคติหรืออบาย แล้วก็พบที่อยู่ ก, กลางๆของสองซีกนี้คือพบของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เหล่านี้ไม่ถือว่าอยู่ในสุขกติไม่ถือว่าอยู่ในทุกขกติแต่อยู่ระหว่างสุขกติกับทุกขกติเพราะมนุษย์นี้มีความสุขกับความทุกขพอเท่าๆกันมีสุขกับทุกขประมาณห้าสิบห้าสิบ ส่วนในสุขคติคือภพของเทวดาจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ส่วนในเสีของทุกขตินี้จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขเช่นภพของเดลฉานเดลฉานนี้เขามีความสุข <S 2> <S 2> ความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะการกินอยู่ของเขานีจะทุกข์ยากลำบากกว่าการกินอยู่ของมนุษย์เรา มนุษย์เหล่านี้กินอยู่อย่างปลอดภัยได้เรามีที่ปกป้องชีวิตร่างกายของเรามีที่อยอาศัยที่หลบแดดหลบภัยได้มีบ้านมีช่องแต่สัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่มีบ้านไม่มีช่องเขาอยู่อย่างหวาดระแวงหวาดกลัวจากภัยรอบตัวเขาเขาอยู่ที่ไหนนี่เขาไม่รู้ว่าเขาจะถูกกัดถูกกินได้เมื่อไหร่ เพราะว่าในภพของเดรลฉานี่เขาอยู่กันได้ด้วยการกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเป็นการดำรงชีพของเขาฉะนั้นภพของเดรลฉานี่จะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขถ้าเปรียบเทียบกับภพบของมนุษย์ภพของมนุษย์นี้จะมีความทุกข์น้อยกว่าเพราะภัยอันตรายที่จะมาทําร้ายร่างกายและชีวิต นี่จะเข้ามาได้ยากกว่าเพราะมนุษย์นี้มีสติปัญญามากกว่าสัตว์เลี้ยาชานมนุษย์นี้รู้จักหาที่กาบังหาที่หลบภัยสมัยก่อนที่ยังไม่มีปัญญาที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนก็หาหลบอยู่กันตามถ้าตามผาตามเงื้อผาแต่ต่อมาก็เริ่มมีการพัฒนามีการสร้างที่มุงที่บังขึ้นมา จนปัจจุบันนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยที่พวกเราเห็นกันอยู่สามารถสร้างอาคารสูงๆได้ถึงร้อยชั้นขึ้นไปเป็นเป็นที่อยู่อาศัยปลอดภัยต่างๆได้ให้ความสุขกับการอยู่ได้ที่พักอาศัยของมนุษย์นี้จะเป็นที่ที่ปลอดจากภัยแล้วยังเป็นที่อํานวยความสุขทางด้านลูกเสียงกลิ่นรสผดผลาด้วย มีบ้านที่พร้อมูลด้วยเครื่องดูเครื่องฟังเครื่องกินเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องปรับอากาศให้อยู่ในอากาศที่สบายกําลังดีไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปถ้าร้อนก็มีเครื่องปรับอากาศให้เย็นได้ถ้าหนาวก็มีเครื่องปรับอากาศให้อุ่นได้นี่คือความสามารถของมนุษย์มนุษย์นี้ฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์จริงสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้เขามีความทุกข์มากกว่าเช่นเดียวกับดวงวิญ ญ, ญาณหรือสัตว์อีกสามชนิดที่อยู่ในอบายก็คือดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรต ด, ดวงวิญญาณที่เรียกว่าสุลกาย และดวงวิญญาณที่เรียกว่านารกพวกนี้ก็อยู่ในทุกขติอยู่ในอบายอยู่ในซีกของการมาพบที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขพวกเปรตนี้เขาก็มีความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหวยเกิดจากความอยากที่ไม่รู้จักพอนั่นเองอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอจะมีความรู้สึกหิวอยู่เรื่อยๆ แล้วถ้าอยากแล้วไม่ได้ยิ่งมีความหิวกะขณะที่ปเป็นดวงวิญญาณนี้จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสนาเสกได้ยากจะต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้สร้างขึ้นมาจากการทาบุญทำทานแต่ถ้าไม่ได้ทำบุญทาทานในขณะที่เป็นมนุษย์นี้แล้วก็มีแต่การทำบาปเพื่อตอบสนองความหิวความอยากต่างๆ เวลาที่ร่างกายตายไปเนื้อดวงจิตของบุคคลนั้นก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณของเรสจะมีความอยากแต่ไม่สามารถตอบสนองความอยากได้เหมือนขณะที่เป็นมนุษย์ขณะที่เป็นมนุษย์อยากจะได้อะไรก็ยังไปหามาแล้วก็หามาโดยวิธีทําบาปเป็นส่วนใหญ่ด้วยจึงทําให้ เวลาตายไปก็เลยกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยมีความทุกข์แทบจะหาความสุขไม่ค่ยได้เลยเพราะความหิวโหวยนี้มันหิวโหวยอยู่แทบตลอดเวลาเราถึงเรียกว่าเปรตทั้นเปรียบเทียบเปรตว่าเป็นเหมือนสัตว์ที่มีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่าตุ่มน้ําคิดดูซิถ้าเราเอาน้ํา ผ่านรูเข็มเข้าไปเพื่อจะเติมไปในตุ่มน้ําเนี่ยจะใช้เวลา น, านานสักเท่าไหร่ถึงจะทําให้น้ําในตุ่มเต็มได้รูเข็มมันเล็กนิดเดียวเห็นไหมเข็มฉีดยาเนี่ยเวลาฉีดยาเวลาเอาเอ า, เอาเลือดแเอายาออกมานี่ได้เพียงไม่กี่ซีซีนั้นต่อให้กินอะไรได้กินอะไรมากน้อยเพียงรายเปรตนี้จะไม่รู้จะไม่มีความอิ่มเพราะท้องมันใหญ่กว่าปาก ปากไม่สามารถที่จะเอาของเข้าไปเติมในท้องของเปรตให้มันอิ่มได้นี่คือลักษณะของดวงวิญญาณที่มีความหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากตอนที่เป็นมนุษย์นี่มีความโลภมากนั่นเองมีความโลภอยาก ไ, ได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่แล้วก็เวลาที่ไม่สามารถ หาได้โดยวิธีสุดจริตก็จะไปหาโดยวิธีทำบาปเช่นไปลักทรัพย์ไปช่อโกงไปหลอกลวงที่เราได้ข่าวๆในขณะนี้พวกที่ไปมีคดีดังๆเป็นพวกที่ไปช่อโกงลักทรัพย์ของประชาชนเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านพวกนี้นะ่ะเป็นสัญลักษณ์ของพวกเปรตทางนั้นน่ะ ที่ต่อไปเมื่อเวลาร่างกายนี้ตายไปยดวงวิญญาณของเขาเนี่ยจะกลายเป็นเปรตไปเพราะว่าเขายังขิวโหยอยู่ไม่อิ่มไม่พอถึงแม้จะไม่ถูกท่ามีพวกที่ไม่ไมเป็นข่าวยังมีอีกเยอะพวกเปรตที่ยังไม่ปรากฏให้เราเห็นได้ ร, รู้เนี่ยยังกอบโกยอยู่นั่นะ่ะกอบโกยด้วยวิธีการต่างๆ ช่อโกงลักทรัพย์หลอกลวงคอรัปชันโกงกินบ้านกินเมืองกินเงินรัฐเงินภาษีของประชาชนพวกนี้นะถ้าทำด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมพวกนี้แหละคือพวกเปรตพวกที่ตายไปดวงวิญญาณจะกลายเป็นเปรตไปอันนี้ไม่ได้สาปแช่งใครไม่ได้ว่าใครแต่ผู้าำหลักธรรม หลักวิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์บอกว่าเนี่ยถ้าเอาไฟไปต้มน้ําน้ําก็จะเดือดน้ําก็จะร้อนนี่ไม่ได้ไปสาบแช่งให้น้ํามันร้อนแต่เป็นหลักของความจริงทางวิทยาศาสตร์ถ้าเอาน้ําไปต้มไฟมันก็จะร้อนมันก็จะเดือดถ้าเอาน้ําไปแช่ในตู้เย็นมันก็จะเย็นมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งไป อันนี้ก็เหมือนกันถ้าทำบาปด้วยความโลภเนี่ยเจตนันก็จะกลายเป็นเปรตไปเป็นตั้งแต่ยังไม่ได้ตายเปรตนี่มันสามารถอยู่ในคราบของมนุษย์ได้ร่างกายเป็นมนุษย์นี่แต่ใจมันเป็นเปรตไปแล้วนี่คือส่วนที่เป็นทุกขติมีอยู่สี่อันด้วยกัน เรียกว่าอาบายสีประกอบด้วยสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานนี่ทำไมถึงต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะว่าทำบาปเพื่อการเลี้ยงชีพของตนเองทำบาปเพราะต้องเอาตัวให้อยู่รอด<ม>ก็เลยไปทรอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่<ม>นไปตกปลา<ม>ไปตกปลาไปดักสัตว<ม>์ไปจับปลามาขาย อะไรทำนองนี้อะไรที่ทำให้ทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเพื่อจะได้เอารายได้จากการทำร้ายชีวิตของผู้อื่นนี้มาเลี้ยงชีวิตของตนเองพวกนี้ก็จะเป็นการสร้างเดรัจฉานให้กับตนเองเพราะว่าเดรัจฉานเขาก็อยู่แบบนี้สัตว์เดรัจฉานเขาอยู่รอดด้วยการกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกว่าเขา ปลาใหญ่กินปลาเล็กเสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกว่าสัตที่อ่อนแอกว่าไอนี้คือหลักทำความเป็นจริงไม่ได้มาสาบแช่งใครไม่ได้มาต้องการให้ใครไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องการให้ใครเป็นเปรตแต่ความเป็นจริงอยากจะมาช่วยไม่ให้ไปเป็นเดรัจฉานไม่ให้ไปเป็นเปรตมากกว่าถึงต้องบอกว่าเหตุที่ทําให้ไปเป็นเดรัจฉาน ไปเป็นเปรต น, นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ถ้าฟังดีๆแล้วเป็นเจตนาที่ดีของพระพุทธศาสนาที่สอนหลักความจริงเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอะไรทำให้มีสัตว์เดรัจฉานปรากฏขึ้นมาในโลกนี้อะไรทำให้มีดวงวิญญาณที่เป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นรปนรกปรากฏอยู่ในพบในการมาพบนี้ อันนี้พูดตามหลักความเป็นจริงตามหลักเหตุผลคือกรรมวิบากนี่เองเ ห, เหตุที่ทําให้เกิดผลก็คือกรรมการกระทําต่างๆผลของการกระทํากรรมเราก็เรียกว่าวิบากวิบากก็คือการที่ไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปนรกนี่มันมีเหตุพาให้ไป ถ้าไม่สร้างเหตุมันไม่ไปกันหรอกงัมนคุกตารางนี่มีไว้ทาไมเหตุที่ทำให้คนไปติดคุกติดตารางนี้มันมีเหตนะุเราไปทำผิดกฎหมายดูผิดกฎหมายแล้วถูกจับเนี่ยมันก็ต้องไปติดคุกกันแต่คนที่ไม่ทำผิดกฎหมายนี่ไม่มีวันที่จะไปติดคุกได้นี่คือเรื่องเหตุและผลเหตุคือการกระทาผลคือวิบาก ที่เกิดจากการกระทำทำผิดกฎหมายทำบาปความผิดกฎหมายก็ใช้รับโทษไปในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่กฎหมายนี้บางทีก็ไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความสามารถในการที่จะบังคับใช้กฎหมายมันมันไม่เข้มข้นคือขาดบุคลากรตามจับคนที่ทำผิด ไม่ไม่ทันหรือคนทําผิดมีมากกว่าคนที่จะตามจับดังนั้นโอกาสของคนที่ทําผิดนี้อาจจะหลบได้หลบการที่จะถูกไปจับไปลงโทษในคุกในตารางได้แต่เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้หลบไม่ได้หลกไม่ได้เพราะเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้ไม่ต้องใช้บุคคลบุคลากรากมาคอยควบคุมบังคับกฎแห่งกรรม กดแห่งกรรมนี้มันเป็นไปโดยอัตโนมัติออโตเมติกทำปุ๊บมันเกิดปั๊บขึ้นมาทันทีทำบาปปั๊บมันเป็นเดรัจฉานขึ้นมาทันทีเป็นเปรตขึ้นมาทันทีไม่ต้องมีตำรวจมาจับไม่ต้องมีอายการมาส่งฟ้องไม่ต้องมีศาลมาตัดสินลงโทษไม่ต้องมีคุกมีตารางมากักขังกฎแห่งกรรมนี้มันเหนือกฎหมาย กฎหมายนี้อาจจะหลบได้หลีกได้หนีได้แต่กฎแห่งกรรมนี้หนีไม่ได้ยัมีกฎสองกฎ ด, ด้วยกันอาจจะหนีทางกฎกฎของบ้านเมืองได้ทําผิดกฎหมายหรือก็หนีไปอยู่ต่างประเทศได้อันนี้ก็ไม่ถูกจับไปลงโทษไม่ติดทุกติดตารางแต่กฎแห่งกรรมนี้มันหนีไม่พ้น ถ้าไปโกงกินบ้านกินเมืองด้วยความโลภทําด้วยความบาปนี่มันไปเป็นเปรตทันทีเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายตั้งแต่ยังมีร่างกายนี้อยู่เพราะผู้รับผลและผู้กระทําบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่กระทําบาปและผู้ที่รับผลบาปนี้คือใจใจนี่แหละที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในขณะที่ เราอยู่ในขณะที่เรายังมีร่างกายนี้อยู่บางวันเราก็อาจจะเป็นเทพขึ้นมาก็ได้บางวันใจดีไปสำบุญทําทานไปเลี้ยงข้าวเด็กพิการเด็กเด็กขอทานเด็กยากไร้หรือคนอะไรช่วยเหลือวันนั้นใจก็เป็นเทวดาขึ้นมาหนึ่งวันแต่วันต่อไปก็ไปช่อกงไปรักทรัพย์ไปคอร์รัปชันใจก็เปลี่ยนไปเป็นเปรตอีกหนึ่งวัน มันสลับกันไปในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ใจของเราจะเปลี่ยนไปตามกรรมที่เราทากันในแต่ละวาระในแต่ละครั้งแต่ละคราววันนี้ไปเป็นเปต ด, ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเป็นเทวดาเดี๋ยวบัลลนี้ไปเป็นสัตว์นรกใบอาฆาตพยาบาทไปตามร่างแทงเห็นไหมขี่รถกันปาดหน้าก็ลงมาแทงกันยิงกันวันนั้นหละเป็นสัตว์น ร, รกขึ้นมาแล นี่คือมนุษย์ที่เราอยู่กันในโลกนี้ร่างกายเป็นมนุษ ย, นย์แต่ใจนี้สามารถเป็นอะไรได้ในแต่ละวันไม่มีใครสามารถที่จะไปกำหนดรับรู้ได้ร่างกายเป็นมนุษย์บางวันก็เป็นเปรตบางวันก็เป็นเทพบางวันก็เป็นเดรัจฉานบางวันก็เป็นสัตว์นรกอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่กำหนดควบคุมเรื่องของจิตใจ Watering, ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงร่างกายกฎแห่งกรรมไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงร่างกายร่างกายที่เป็นอยู่น um ี้มันเป็นของมันมาแต่ดั้งเดิมไม่สามารถไปเปลี่ยนให้มันเป็นเปรตได้ทันทีไม่สามารถไปเปลี่ยนให้มันเป็นเดรัจฉานได้ทันทีแต่เปลี่ยนได้ทันทีก็คือใจใจนี้เปลี่ยนเป็นจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นเทพไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลนี้ได้ เช่นองค์ุลิมานเนี่ยตอนต้นก็เป็นนรกเป็นสัตวน์นรกไปฆ่าคนถึง999คนแต่พอไปพบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าองค์ุลิมาเธอฆ่าผิดฆ่าผิดคนไปฆ่าคนก็ทําให้เธอไปนรกเท่านั้นแหละถ้าเธออยากจะไปนิพพานต้องไปฆ่ากิเลสไปฆ่าความอยากเนี่ยกามาทันหาภาวตันหาและวิภาวะทันหา อนเขาไมานฟังแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นมาเชื่อที่พระเจ้าสอนก็เปลี่ยนเป้าจากการไปฆ่าคนมาฆ่าฆ่ากิเลสตัณหาความอยากฆ่ากามาตนะภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาเนี่พอกามตัะหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานี้ตายไปหมดใจก็เปลี่ยนเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาเลย นี่คือความอัศจรรย์ของของธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าสามารถพลิกสัตว์นรกให้มากลายเป็นพระอารหันต์ได้อันนี้แหะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี่โอ้โหคิดดูเถออิดเอาขึ้นมานี่จะต้องไปตายกี่ภพกี่ชาติเกิดมาแล้วจะต้องถูกใครเข้ามาตามฆ่ากี่ครั้งกี่หนไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอได้พบกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพอได้คํารู้ที่แท้จริง เรรู้เส้นทางชีวิตที่ถูกต้องที่จะต้องดำเนินว่าต้องดำเนินอย่างไรต้องดำเนินด้วยการกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอได้ทำตามที่พู้เจ้าทรงสอนจิตก็พลิกจากสัตว์นรกมากลายเป็นพาาาระอรหันต์ได้เลยดังนั้นท่านทั้งหลายที่ตอนนี้เป็นใจเป็นเปรตอยู่สามารถยังพลิกได้ยังมีเวลายังไม่สายเกินไปตายไปแล้วมันพลิกไม่ได้ เวลาตายไปแล้วเราไปพลิกไม่ได้ตอนนี้เงินที่ท่านโกงมาท่าไหร่นี้เอาไปทําบุญให้หมดเลยรับรองได้ว่าจะพลิกจากจากเปรตมากลายเป็นเทวดาขึ้นมาทันทีแต่ถ้ายังหวงยังหวงทรัพย์ยังยังโลภย่างยังได้มายังอยากได้อีกยังอยากจะไปหาเสียงยังอยากจะไปหาอำนาจหาโอกาสที่จะได้มาตักตืองเงินทราสีของประชาชนอีกนี่ ก็ออยังไปเติมความเป็นเปรตให้มีอยู่ต่อไปให้มากขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความเชื่อจะเชื่อหรือไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นองค์คุลิมานถ้าฉลาดก็ต้องเป็นองค์คุลิมานเชื่อว่าการไปทำบาปด้วยวิธีการต่างๆนี้เป็นการไปสร้างอาบายให้แก่จิตใจของตนเองเป็นการสร้างเปรตสร้างอสูรกายสร้างนรกให้กับตนเอง ถ้าต้องการสร้างมรรคผลนิพพานสร้างการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะไปเป็นเทวดานี่ก็เอาเงินที่บโกงมาทั้งหมดนี้ไปทำบุญนะทำบุญเหมือนที่มีข่าวขาวที่เอาเงินกีฬาเนี่ยไปมอบให้ตำรวจหลนี้นอาจจะมอบเพราะ จำต่อหลักฐานถ้าไม่มีใครมาแฉก็คงจะไม่มอบมันคงจะเก็บไว้เฉยๆหรือหรือไปเป็นเทวดาแล้วก็ไม่รู้นะเพราะไปทําบุญแล้วเอาใบบริจาคให้กับโรงพยาบาลแล้วอันนี้ก็อาจจะพลิกจากการเป็นเปรตให้กลายไปเป็นเทวดาได้นี่แหละคือตอนนี้ตอนที่เรายังไม่ตายนี่เรายังกําหนดอนาคตของเราได้อยู่ เราจะไปเป็นเปรตหรือไปนาลกไปเป็นศูรากายหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านนีตอนนี้เรากำหนดได้เราห้ามได้ถ้าเราทำบาปเราเลือกทำบาปเสียแล้วหันมาทาบุญให้มากๆใจของเราก็จะพลิกจากการไปอบายไปสู่สุขคติได้พลิกจากการไปไปสู่ทุกขติกลับมาไปสู่อบายได้ กลายไปไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้ไปเป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระอะไรก็ได้ทุกอย่างนี้ตอนนี้อยู่ในกรรมมือของเราชะตาชีวิตของพวกเรานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครชะตาชีวิตของเรานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพรมลิขิตมันเป็นเรื่องของกรรมลิขิต ก, กรรมลิขิตก็คือการกระทําของเรานี่แหละการกระทําของเราทางกายทางม า, าจาและทางใจ อันนี้แหละจะเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตของเราว่าพวกเราจะไปเป็นอะไรกันต่อไปจะไปเป็นเทพก็ได้ไปเป็นพรมก็ได้ไปเป็นพระอาริยบุคคลก็ได้อยู่ที่การกระทาของเราถ้าเรารู้จักเส้นทางสองเส้นทางนี้แลเรารู้รู้จักเลือกเส้นทางที่ที่จะพาให้เราไปสู่สุขคติเราก็จะไปเราก็จะได้ไปสุขคติ ในวันนี้ตอนนี้กาลังพูดถึงเส้นทางที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดในตายพบเนี่ยคือการมาตัญหาการมาตัหาความอยากแสบรูปกิเียงกินลดมันก็จะพาให้เรามาเกิดในการมภพภพการมภพก็มีแบ่งไว้สองซีกซีกของสุขติและซีกของทุกขติซีกของทุกขตินี้เกิดจากการไปหาลูปเสียงกิจลดด้วยวิธีการทำบาต ยังอยากจะเสพลูกเสียงกลิ่นลถไม่มีเงินก็ไปขโมยเงินของคนอื่นก็ที่เอาเงินนี้มาซื้อมากินมาดูมาฟังมาเที่ยวมาเล่นกันอันนี้ก็เป็นการไปสู่ไปสู่อบายไปสู่ทุกขติในการมาพบถ้าอยากจะไปสุขติในการมาพบก็คือแบ่งเงินที่เราหามาได้ด้วยวิธีสุดจริตเช่นเราทำงานมีเงินเดือนเราแบ่งมาสักยสซสมมติ ทุกเดือนนี้บอยจากเงินเงินยีซไว้สําหรับการทําบุญทําทานการทําบุญทําทานนี้ทํากับใครก็ได้ไม่ต้องทํากับพระกับวัดทํากับพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกๆทําบุญกับพ่อแม่ก็ได้บุญมากได้เท่ากับได้ทําบุญกับพระอรหรันต์นั้นทางาศาสนาเรานี้จะสอนให้ชาวพุทธเราทําบุญกับพระในบ้านก่อนอย่าลืมพระในบ้านเป็นอันขาด่า เพราถ้าไม่มีพระในบ้านนี้จะไม่มีพวกเราเพราะเราปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ได้ mm. ก็เพราะมีพระอาหารสองรูปในบ้านเราเนี่ย mm. เพราะฉะนั้น mm. เมื่อเรามีรายได้เราก็ต้องคิดถึงพระอาหารในบ้านเราก่อน mm. แบ่งรายได้ของเรามาเลี้ยงดูพ่อแม่ถึงแม้พ่อแม่เขาจะอยู่ดีกินดีก็ไม่เป็นไรก็ให้ท่านไปแล้วแต่ท่านถ้าท่านไม่ต้องการเดี๋ยวท่านก็ให้คืนเรามาในภายหลังเอง จากการกระทำนี้จะทำให้เราได้บุญเป็นการสร้างความเป็นเทพให้กับเรานี่คือทางไปสู่สุกติคือไปเป็นเทพชั้นต่างๆก็ขึ้นอยู่กับการทำบุญของเรามากหรือน้อยทำบุญมากก็จะได้ความสุขมากได้สวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปเพราะสวรรค์แต่ละชั้นนี้จะมีความสุขมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเอง ความสุขชั้นที่หนึ่งก็จะน้อยกว่าชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ไปตามลําดับและเหตุที่ทําให้เราไปเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆก็อยู่ที่ปริมาณของการบริจาคของเราถ้าเราบริจาคหนึ่งในหของรายได้ของเราประมาณสิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ได้สวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นที่หนึ่งถ้าอยากขึ้นสวรรค์ชั้นที่สองเราก็ต้องบริจาคสองในหหรือหนึ่งในสามสามสิบสามเปอร์เซน ถ้าอยากจะได้ชั้นที่สามนี่ก็ต้องบริจาคสามในหก็คือห้าสเปอร์ซนตทำงานมาได้เดือนละสองหมื่นก็บริจาคไปหมื่นหนึ่งอยู่แบบอด อ, อมอยู่แบบบางน้อยสันโดษไม่เที่ยวไม่กินไม่ดื่มเอาเ ง, งินไปทำบุญดีกว่าเอาเ ง, งินไปเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจให้ไปเป็นเทพดีกว่าเพราะเมื่อน่างกายนี้ตายไปแล้วจะได้ไปอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ขณะอยู่เป็นมนุษย์ก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายจากบุญที่เราได้ทำเนี่เวลาเราทำบุญแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าเอาเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันเป็นสุขแบบควันไฟสุขเดียวเดียวเวลาไปเที่ยวก็สนุกสนานเพลิดเพลินกันพอกลับมาบ้านก็แห้งเพียวเหงาหงต้องดิ้นรนออกไปเที่ยวใหม่ ถึงจะมีความสุขแต่เวลาไปทําบุญนี่โอ้โหยอยู่บ้านยังไงก็ไม่หิวไม่โหยไม่รู้สึกแห้งรู้สึกอิ่มรู้สึกพออยู่ตลอดเวลาดังั้นเอาเงินไปทําบุญดีกว่านะดีกว่าเอาเงินไปเสพกามตันหาเพราะว่าการไปเสพกามาตุนหาก็จะทําให้เรากลับมาเกิดในกามะภพมากขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่การเอาเงินไปทําบุญเนี่ยเป็นการลดการกลับมาเกิดในกามะภพลงไปด้วย พอเราจะลดกรมกรมกามตัญหาของเราลงไปทุกครั้งที่ยำ เ, เงินไปใช้กับกามาตัญหาเราก็เอานํเาเอาเงินนี้ไปทําบุญทําทาน <Yes. S 1> ไปแปลงจากจากใจที่เป็นมนุษย์ให้กลายเป็นเทพขึ้นมา <Yes. S 1> จะเป็นเทพชั้นสูงชั้นต่ําก็อยู่ที่ปริมาณเงินที่เราบอยจากไป yes. นนทำไปนะนี่คือกฎแห่งกรรมนี่คือหลักความเป็นจริงอันนี้ไม่ได้เอามาโม้เอามาโฆษณาชวนเชื่อเพราะเราไม่ได้เปอร์เซนต์จากการที่เรามาพูดนี่ถ้าเราได้เปอร์เซนต์ก็น่าก็น่าจะตำหนิเราว่านี่มาขายสินค้าเนี่ย่าเหมือนกับมาขายขายประกันหรือขายอะไรแ่นี้ไม่ได้มาขายนี่มามาโฆษณาเรื่องกฎแห่งกรรมให้ญาติพี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจกัน เพราะบางทีไม่ไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะไปมองผลของกฎแห่งกรรมที่ลาบยศเสริญ ส, สุขกันนั่นเองคิดว่าถ้าทําดีแล้วจะต้องร่ํารวยไม่ใช่ต้องทําชั่วมันถึงจะรวยต้องกองกินบ้านเมืองมันถึงจะรวยถ้าซื่อสัตว์ทุจริตทำมาหากินกินเงินเดือนไม่มีวันรวยหรอกไปดูสิค่าราชการที่รวยมันรวยเพราะค่าเงินเดือนหรือมันรวยเพราะมันมีมีเงินใต้โต๊ะเข้ามา อันนี้ก็พูดตามหลักความเป็นจริงอีกไม่ได้ว่าใครต้องขออภัยด้วยถ้าไปทำให้ผู้อื่นสะเทือนใจแต่ความจริงไม่ใจไม่สะเทือนอะสิ่งที่สะเทือนก็คือกิเลสน่นนะธรรมะของพระเจ้านี้กับกิเลสนั้นเป็นเหมือนของของคู่อริกันมันมันจะไม่ชอบกันกิเลสจะไม่ชอบธรรมะเพราะธรรมะนี้จะมาทําลายกิเลสนั่นเอง นี่คือพูดให้เข้าใจหลักความเป็นจริงของจิตใจของพวกเราว่าเรากําลังจะเดินไปในเส้นทางไหนเราจะไปเดินไปในเส้นทางของทุกขติหรือสุ ข, ขติเราจะเดินไปในเส้นทางของการเวียนว่ายตายเกิดในกามาภพหรือออกจากกรรมมาภพถ้าเราอยากจะออกจากกามมภพนี้เบื้อง ต, ต้นเราก็ต้องพยายามละกามะทันหาให้ได้และการที่จะละกามะทันหานี้เราก็ต้องปฏิบัติ ทำที่พระเจ้าทรงสอนนอกจากทําทานแล้วก็ให้เรามารักษาศีลกันรักษาศีลถ้ารักษาศีลห้าก็ปิดประตูะบายได้ไปสวรรค์ได้นะไปเป็นเทพได้ทําทานการรักษาศีลห้านี่ก็จะไปเป็นเทพเวลาตายไปแล้วแต่ถ้าอยากจะออกจากไปออกจากการมาพบก็ต้องยุติการเสกกรรมวิธีที่จะหยุดการเสกกรรมก็ต้องไปถือศีลแปด พอไปถือสินแปดนี่ห้ามละห้ามเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดห้ามร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ไ ม, ไม่หลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการร่วมเพศกันไม่หาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงร้องราทําเพลงเที่ยวตามสถานแหล่งบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการกินการดื่มมากเกินไปให้กินได้เฉพาะการเลี้ยงดูร่างกายให้กินพอประมาณไม่เกินเที่ยงวันเป็ด แล้วถ้าจะกินก็ให้ไม่กินเกินเที่ยงวันไปแต่ไม่ให้กินแบบกินเพื่อให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารให้กินเหมือนกินยากินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปแล้วก็ไม่ให้เสริมสวยความงามของทางร่างกาย ไม่ว่าจะใช้สัญญกรรมตกแต่งมันด้วยใบหน้าหรืออะไรต่างๆด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์หรืออะไรก็ตามด้วยน้ำหอมน้ำอะไรก็ตามน้ำมันต่างๆไม่ให้ใช้หมดอะไรที่เป็นการเสริมความสุขทางกามนี้ให้หยุดให้หมดเราต้องการหยุดกามตัญหาเราต้องต้องการที่จะออกจากกามะภพมีสามภพเนี่ยแต่ละภพนี่มันสูงกว่ากันภพที่ต่ำสุดก็คือกามะภพ ก่อนจะไปถึงนิพพานด้านนี้เราต้องออกจากการรมะพบก่อนออกากจากการรมะพบเพื่อไปสู่รูปะพบรูปะพบก็คือพบของผู้ที่ได้เสพฌานนั่นเองผู้ที่นั่งสมาธิเข้าฌานได้ผู้ที่ไปถือศีลกันถือศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยีิบเจ็ดยุติการเสพกามแล้วก็สร้างกรูปะพบขึ้นมาด้วยการเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิ หยุดความคิดทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบพอใจนิ่งใจสงบใจก็เข้าฌานเข้ารูปเข้าขั้นรูปฌปานก่อนเข้ารูปฌานใจก็เข้าสู่รูปรพบนะแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านั้นเราต้องไปต่อจากขั้นรูปฌปานเราก็ต้องไปสู่ขั้นอรูปฌปานหรือไม่ต้องไปขั้นอรูปฌปานก็ได้เราสามารถออกจาก รูปภพหรืออรูปภพได้โดยที่เราใช้การเจริญปัญญาต่อได้เลยถ้าเราได้รูปฌานแล้วเราก็สามารถที่จะไปขั้นต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องไปสู่ขั้นรูปภพอรูปภพก็ได้นถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ในอรูปภพเราก็ไม่ติดอรูปภพถ้าเราอยู่ในรูปภพเราก็จะติดอยู่แต่ในในในขั้นของรูปภพเราก็ออกจากขั้นรูปภพแล้วไปนิพพานได้เลย ไปขั้นมรรคผลนิพพานได้เลยการที่จะไปสู่ขั้นมรรคผลนิพพานก็คือหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วสามารถเข้าฌานได้แล้วเวลาเอาจากฌานมาใจที่สงบจากฌานนี้ก็จะเย็นจะสบายแต่พอเกิดกิเลสขึ้นมาเมื่อไหร่เกิดความโลภเกิดความอยากในสิ่งต่างๆขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็จะร้อนขึ้นมาทันที แล้วการที่เราจะรักษาใจให้นิ่งให้เย็นให้สบายเราก็ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่มาสร้างมากระตุ้นความรูปความอยากเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเห็นรูปของอาหารก็อยากกินขึ้นมาพอเห็นรูปของเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาหารเครื่องดื่มนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวนะเป็นความสุขเดี๋ยวเดีๆเป็นเหมือนยาเสพติด เสพแล้วมันจะติดเวลาไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์อย่ายไปเสพมันดีกว่าอย่ายไปเออย่ายไปดื่มมันถ้าไม่ถึงเวลาต้องดื่มถ้าจำเป็นต้องดื่มก็ดื่มแต่น้ําเปล่ปาๆอย่าไปดื่มน้ําที่มีรสสีมีกลิ่นมีรสเนื่อเพราะเป็นการเป็นเสพกรามแต่ถ้าดื่มน้ําเปล่านี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการเสพกรามเป็นการเติมธาตุน้ําให้กับร่างกายที่ขาดน้ําก็ต้องดื่มน้ําเข้าไปอันนี้ ถ้าเวลาอยากกินถ้าร่างกายยังไม่หิวก็ไม่ให้มันกินให้กินตอนที่ร่างกายหิวแล้วขาดอาหารขาดธาตุดินก็ต้องเติมธาตุดินธาตุดินส่วนใหญ่ก็จะมาจากอาหารนี่ที่เรากินเข้าไปนี่คือเรื่องของวิปัสสนาหรือปัญญาเวลาเอาจากสมาธิมาแล้วเกิดความอยากจะเสดกลามขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อตัดมันตัดมันให้ได้ พิจารณาให้มันเห็นว่ามันเป็นตายรักมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปเสพแล้วมันจะติดเวลามันไม่มีให้เราเสพมันจะทําให้เราทุกข์อย่างเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของที่เราจะสามารถมีได้ตลอดเวลาวันใดวันหนึ่งมันก็จะทําให้เราไม่มีก็ได้หรือถึงแม้ว่ามันมีแต่เครื่องมือที่เราใช้คือร่างกายมันอาจจะไม่ไหวก็ได้ตาอาจจะไม่ดีหูอาจจะไม่ดี ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นจะหาความสุขจากการเสพการมันก็เสพไม่ได้ถ้าเสพหาความสุขจากการเสพการไม่ได้มันก็จะทุกข์ทุกข์มากๆมันก็จะกลายเป็นคนซึมเศร้าไปและดีไม่ดีก็เป็นคนคิดฆ่าตัวตายไปอันนี้คือผลที่จะเกิดจากการที่เราไปติดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของชั่วคราว และของที่วันใดวันหนึ่งเราอาจจะไม่สามารถที่จะเสกมันได้เวลาที่เราอยากจะเสกเวลานั้นมันจะทำให้เราทุกข์มากทำให้เราเศร้ามากทำให้เราเกิดอาการซึมเศร้าทำให้เราเกิดอาการที่อยากจะคิดฆ่าตัวตายหรือ บ, บางคนก็ฆ่าตัวตายไปก็มีคนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะเนี่ยทุกข์เพราะว่าไม่สามารถเสกลูกเสียงกิเลสที่ตวเองอยากจะเสกได้ อยากได้สิ่งนั้นก็ไม่ได้อยากไปเที่ยวที่นั่นก็ไม่ได้ไปอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้มันห่อเหียวเหลือเกินไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่แล้วก็มีแต่ความผิดหวังมีแต่ความเศร้าคิดว่าไม่อยู่ดีกว่าฆ่าตัวตายดีกว่าอันนี้แหละคือความทุกข์ให้เราพิจารณาให้เห็นใช้ปัญญาการเสพการเสพรูปเสียงกลิล่นรสผล ภ, ภัณฑนี้มันจะทาให้เราไปเจอกับวันเศร้าวันใดวันหนึ่ง มีแฟนเนี่ยเวลามีแฟนก็มีความสุขเดี๋ยววันดีก็ดีตายไปสักคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งยังอยู่จะทำยังไงอยู่อย่างเศร้าอย่างเหงาบางทีดีไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่กี่ปีก็ตายต่างกันไปเพราะไม่มีกําลังใจที่อยากจะอยู่ต่อไปแล้วอยู่ไปก็ไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็เลยไม่สนใจที่จะดูแลร่างกายปล่อยปะเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกาย พอร่างกายขาดการดูแลไปสักพั้งหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็รุมเร้าเข้ามาแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปเนี่ยคือความทุกข์ที่เราต้องพิจารณาเวลาที่เราเกิดความอยากในการเสพกามาธนหาเนี่ยอยากจะเสพกามาธนหาเราก็ต้องตัดมันตัดมันอย่าไปเสพไม่ตายอยู่เฉยๆไม่มีความอยากนี่ดีกว่าเวลาความอยากหยุดแล้วมันจะทําให้ใจที่ดิ้นที่ ที่มีความทุกนี้มันสงบตัวลงโดยโดยทันทีเราจะเห็นโทษของการมีความอยากในในเวลาที่เราเอาชนะความอยากได้เวลาอยากไปเที่ยวยมันทำให้เราดิ้นเราล้วยิ่งไม่ได้ไปเที่ยวยิ่งดิ้นใหญ่แต่ถ้าเราฝืนวอกกู uh ไม่ไปนะกูนั่งสมาธิดีกว่านั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปพอมันรู้ว่าไปไม่ได้ความอยากไปไม่ได้มันก็หยุดไปเอง พอมันหยุดปั๊บใจที่ดิ้นใจที่ทรมานก็กลายเป็นใจที่สงบเย็นสบายขึ้นมา <Yeah. S 1> เนี่ยถ้าปฏิบัติขั้นปัญญาจะเห็นโทษของความอยากจะเห็นคุณของการดับความอยาก mm. เวลาความอยากแต่ละครั้งนี่ที่ดับไปได้ด้วยปัญญานี่มันรู้สึกเบา อ, อกเบาใจเหมือนกับยกภูเขาออกจาก อ, อกไปทันที <Yeah. S 1> อันนี้แหละคือคุณของการมีปัญญาในการที่เราจะจะมาสู้กับความอยากต่าง เพราะสมาธินี้หยุดความอยากได้ชั่วคราวคือเวลาเข้าสมาธิความสงบมันจะทำให้ความอยากทำงานไม่ได้แต่มันไม่ตายมันเป็นเหมือนหินทับหญ้าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าเวลาเราหินไปทับหญ้านี่หญ้ามันงอกขึ้นมาไม่ได้แต่เวลาเราเอาหินออกไปสักพักหนึ่งหญ้าพอได้แดดได้น้ำมันก็งอกขึ้นมาใหม่ เพราะว่ารากมันยังมีอยู่ในดินกิเลสความอยากก็แบบเดียวกันความอยากนี้เวลาทำใจให้สงบนีความอยากทำงานไม่ได้เพราะความอยากนี้ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต้องอาศัยความคิดมากระตุ้นความอยากอีกทีถ้าอยู่ในสมาธิมันก็ไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็ไม่มีความคิดที่จะมากระตุ้นความอยากแต่พอออกจากสมาธิมาปั๊บนี่พอกลับมาเข้ามาที่ร่างกาย มารับลูกเสียงกลิ่นรถผ่านทางตาหูจมูกเส้นกายเดี๋ยวพอเห็นของที่ชอบก็เกิดความอยากขึ้นมากิเลสโผล่ขึ้นมาทันทีเนี่ยที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นเหมือนหินทับยากก็แบบนี้กิเลสความอยากนี้มันจะไม่ทํางานเวลาที่อยู่ในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมานี้มันทํางานได้ทันทีออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคิดถึงเครื่องดื่มนะไปวิ่งวูบไปหาที่ตู้เย็นทันที คิดถึงขนมปุ๊บไปเปิดหาดูขนมกินทันทีนความอยากมันออกมาอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่รู้สึกตัวโดวยไม่รู้ว่าเป็นกิเลสเสียด้วยซ้าไปสาหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆคิดว่าเป็นเรื่องปกติเอออกมาจากสมาธิแล้วก็ต้องให้รางวัลทานหน่อยอนั่งอตสา์นั่งอดทน ต, ต้องนานออกมาก็ต้องให้รางวัลกับกิเลสซะหน่อย หาอะไรเดิมหาอะไรกินหาอะไรดูบางคนก็รีบเปิดโน้ถือก่อนเลยเอย๊มีใครติดต่อมาหรือเปล่ามีข่าวข่าวอะไรหรือเปล่านี่นี่คือเรื่องของกิเลสเวลาอยู่ในสมาธิมันทําอะไรไม่ได้กิเลสแต่พอ อ, อกจากสมาธิมาปับ๊บเนี่มันจะดึงใจให้ไปหาลูกเสียงกลิ่นรสทันทีถ้าต้องการที่จะปลดเปื่องใจไม่ให้เป็นธาตของกิเลสทาตของความอยาก ก็ต้องพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสที่ความอยากต้องการว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขแบบชั่วคราวเวลาอยากได้พอได้ก็เกิดความสุขแต่ถ้าเวลาใดอยากได้แล้วไม่ได้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลามีแล้วสูญเสียสิ่งที่เรามีไปสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่เรามีไปสูญเสียคนที่เรารักไปสูญเสียสิ่งที่เรารักไป พอมันเราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปความทุกข์มันก็เกิดขึ้นทันทีทําไมต้องสูญเสียก็เพราะสิ่งที่เรามีมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวของไม่ใช่เป็นของถาวรแล้วทําไมเราควบคุมบังคับมันให้เป็นของถาวรไม่ได้หรือไม่ได้มันเป็นอนัตตาเมื่อถึงเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนถึงเวลามันจะตายมันก็ตายถึงเวลามันจะจากเรามันก็จากเรา เราห้ามมันไม่ได้นี่คือตายรักศึกษาให้เข้าใจสามตัวนี้อันนี้จังคือไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมอนาตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเหมือนกับดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนี่เราไม่ค่อยทุกข์กับมันเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไปควบคุมมันไม่ได้ เช่นตอนนี้มันร้อนอยังไงเราก็ไปสั่งให้มันไม่ร้อนไม่ได้แต่เราก็อยู่กับมันได้ก็เพราะว่าเรายอมรับมันเราไม่ไปเปลี่ยนแปลงมันเรายอมรับว่ามันเป็นอนัตตาเรายอมรับว่ามันเป็นอนิจจังเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายคล้อยลงไปเดี๋ยวความร้อนมันก็เบาลงไปเองตามตามเวลาของมันเราจึงไม่ค่อยทุกข์กับดินน้ำลมไฟหรือดินฟ้าอากาศการเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอนัตตา แต่กับรูปเสียงกลิน่นรสนี่เรากลับไม่เห็นว่าเป็นอนัตตาความจริงมันก็เป็นอนัตตามันก็เป็นอนิจจังเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยคนละคนที่เราอยู่ด้วยเราไปบังคับขอได้ไหยตลอดเวลาบังคับให้เขาดีกับเรายิ้มกับเราทั้งวันทั้งคืนได้ไหมมันไม่ได้หรอกบางทีเขาก็มีอารมณ์เขาก็เปลี่ยนไปแทนที่จะคุยดีๆกับเราอาจจะพูดกระโชกโคกข้าก็มีอาจจะด่าเราก็มี อันนี้เป็นเรื่องของอ น, นิจจังไม่เที่ยงเรื่องของอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ถ้าเราเกิดความอยากอยากจะไปควบคุมบังคับเขาให้เขาให้ความสุขกับเราตลอดเวลาพอเราไม่ได้เราก็ทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือเรื่องของปัญญาต้องเข้าใจสามคำนี้อ น, นัตอนิจจังของมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปขึ้นลงมีขึ้นมีลงเศรษฐกิจมีเจริญมีเสื่อมมีถดถอยมีก้าวหน้าอะไรต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอนัตตาไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้เงินเดือนขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ทุกปีต้องขึ้นแค่นั้นแค่นี้มันสั่งไม่ได้บางปีอาจจะไม่ได้ขึ้นบางปีโบนัสขาดจะไม่มี อันนี้เป็นเรื่องของ อ, อนัตตาที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ต้องเข้าใจหลักนี้พะเราอยู่ในโลกที่เราไม่สามารถไปควบคุมสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องได้แม้แต่ร่างกายของเราเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้ตลอดเวลาตอนนี้เราอาจจะพอบังคับมันได้ควบคุมมันได้ให้มันทำอะไรตามคำสั่งเราได้แต่วันดีคืนดีเกิดแขนขาดขึ้นมาจะไปสั่งให้มันแขนนั้นทางานมันก็ทางานไม่ได้ถ้าเกิด พิกที่การไปนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้มันเป็นอนัตตาเข้าใจไหมต้องเข้าใจหลักนี้ถ้าเราเข้าใจนิจะอนัตตาเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่ไปอยากไปอยากให้เขาเป็นตามความอยากของเราที่เราทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เพราะเราไปอยากกันเท่า น, นั้นเองอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นอยากให้ก็เป็นอย่างนี้อยากได้เขามาให้ความสุขกับเรา พอไม่ได้เขามาก็ทุกข์ใจขึ้นมาแล้วพอได้เขามาแล้วก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่พอเขาไปอยู่กับคนอื่นเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเนี่ยเหมือนเหมือนเสียงลมพัดนี่เราจะไปสั่งให้มันหยุดพัดก็ไม่ได้มันจะพัดก็ต้องปล่อยมันพัดไปมันจะหยุดก็ต้องปล่อยมันหยุดไปที่เราไม่ไปทุกขกับเสียงลมเสียงอะไรต่างๆก็เพราะว่าเราไม่มีความอยาก พราะเราเรารู้ว่าเร า, เ, าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้แต่กับสิ่งอื่นแล้วกลับไม่ไป ม, มองเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศกันเรากลับไปคิดว่าเราควบคุมได้ควบคุมร่างกายของเราให้สวยได้ให้ดีได้ให้แข็งแรงให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่พอวันดีคืนดีวันใดวันหนึ่งก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้อื หน้าตาผิวที่เคยผ่องใสก็อาจจะเศร้าขึ้นมาหมองขึ้นมาก็ได้สิวฝ้าก็อาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเข้าใจหลักนี้เพื่อที่เราจะได้ทําใจหัดทําใจให้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วถ้าเราหยุดความอยากของเราได้ไม่ให้ไปควบคุมบังคับสิ่ ง, งต่างๆได้ ใจของเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเราจะรวยหรือจะจนเราก็อยู่กับมันได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าเราไม่ได้ไปกําหนดว่าจะต้องรวยอย่างเดียวเราพร้อมที่จะรับกับสภาพของความเป็นคนจนเมื่อมันเมื่อเมื่อจนก็อยู่กับมันไปเมื่อมันรวยก็อยู่กับมันไปถ้าเรารู้ว่ามันเป็นของไม่แน่นอนมีเป็นการเปลี่ยนแปลงมีการขึ้นมีการลงไปตามเหมือนกับดินฟ้าอากาศเช่นเวลาฝนตกเราก็ไม่เดือดร้อน เวลาฝนแรงเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็อยู่กับมันไปเพราะเราทำอะไรไม่ได้ น, นี่คือปัญญาคือเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจา็นของไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีขึ้นมีลงมีการเกิดมีการดับไม่ช้าก็เร็วอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปห้ามไม่ได้ไปควบคุมบังคับไม่ได้ ก็จากความอยากของเราอยากที่จะไปให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความอยากของเราพอมันไม่เป็นไปตามความอยากของเราใจของเราก็จะทุกข์ถ้าเราเข้าใจหลักของตายรักนี้เราจะมาหยุดความอยากทั้งสามได้ <c oughs> หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นโนดได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์อยากในภาวะตัณหาภาวะตัณหาที่สูงสุดก็คือ ความอยากไปในรูกประชานนี้เรียกว่าภาวะตัณหาอย่างนี้เราก็หยุดมันไม่ต้องเข้าฌานไม่ต้องมาหาความสุขจากฌานก็ได้อยู่แบบไม่มีความอยากจะสุขกว่าอยู่กับความสุขของฌานแล้วความสุขของฌานมันก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจเป็นนั้นอนัตตาบางทีก็เข้าได้บางทีก็เข้าไม่ได้แต่ความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากนี้มันดีกว่ามันจะเป็นความความสุขที่ถาวรกว่าเราต้องมาละ กรารมตัญหาภาวะัญหาวิภาวะทัญหาด้วยการเห็นว่าลูกเสียงกลิ่นรดนี้เป็นตายรักษให้เห็นว่ารูปประชานอารูปประจานนี้เป็นตายรักแต่เห็นตายภพนี้ว่าเป็นตายรักษเราก็จะไม่มาเกิดในตายภพอีกต่อไปเราก็จะไปอยู่ที่นี้ผ่านแทนอันนี้คือเส้นทางที่พูะเจ้าได้ส่งคนพแนนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรา วิธีที่จะเดินเส้นทางนี้ก็ต้องเดินด้วยการปฏิบัติทานทำบุญทำทานรักษาศีลศีลห้าศีลแปดตามลําดับไปเริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนแล้วก็ขยับไปที่ศีลแปแล้วต่อไปก็ศีลสองิบเจ็ดหรแล้วแต่จะมีศีลอะไรที่ต้องมีก็รักษาไปแล้วก็ไปภาวนาไปเจริญสติสมาธินียกสมาถะภาวนาทําใจให้สงบ พอได้ฌานได้ความสงบแล้วเวลาออกจากฌานออกความสงบก็เจริญปัญญาเวลาเกิดความอยากอยากได้นู่อยากได้นี่ก็พิจารณาว่ามันเป็นตายรักให้หมดพอเราพิจารณาว่าเป็นตายรักเราก็จะหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้หมดใจก็ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจใจจะว่างจะเย็นไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมีการไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาเรยงไม่ต้องมี สมาธิไม่ต้องมีรูปปฌานหรือรูปฌปานมาให้ความสุขเพราะความสุขที่เกิดจากความบริสุด ข, ของใจนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่แท้จริงอันนี้แหละคือเส้นทางที่พระเจ้าได้ทรงตัดสลูได้สรงคนพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้พวกเราเปลี่ยนเส้นทางอย่าเดินตามเส้นทางของกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา ความอยากเสพการความอยากมีอยากเป็นความอยากเสพรูปประชานความอยากเสเพารูปประชานตัดมันไปให้หมดให้มาทำทานรักษาศีลภาวนาแล้วใจของเราก็จะได้ไปสู่พระนิพพานไปสู่ที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีทุกข์ตามมาต่อไป นี่คือเส้นทางของของชีวิตของพวกเราที่มีอยู่สองเส้นทางใหญ่ๆที่เอามาให้ท่านได้พิจารณากันไม่มีใครบังคับใครได้เรื่องของการเดินในเส้นทางทั้งสองเส้นทางนี้ถ้าเดินทางไปทางเส้นทางของความอยากก็ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดถ้าเดินทางไปสู่เส้นทางของทานศีลภาวนาก็ไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่จะต้องตัดสินใจก็คือท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตัดสินใจให้พวกเราไม่ได้นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากหลัง เอวเมวะอโตทินังเปตานังมุปกปะติอิชิตังปะิตังสุหังคิปเมวะสนิจตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนาวาสุยาธาณิโชติาราสุยาธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโขวินาสสตุ มาเตพาวตวันตรายูสุขีทีคายยโกภวะอาพิวาธนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธมาวทานติอายุวันโอสุขังท่ารังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถาม ใครมีคําถามอะไรสงสัยอะไรอยากจะถามอยากจะคุยเชิญถามเชิญคุยได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะมาคุยหรือมาตอบคาถามใครยังอยากจะถวายของก็ยังเข้ามาได้อยู่นะเชิญเข้ามา เ, าเข้ามานั่งลงเข้ามาวางไว้ตรงนี้มาจากกรุงเทพค่ะนี่ริา ด, ดาลูกมา แล้วเรือใบาดีโอเคก็เลยขากับสมกยมาทานะําบุญบ้างนะทำบุญไปสวรรค์นืงเรือใบก็วนอยู่ในน้ำอยู่ในอากจะมาขอหลักธรรมาจารย์ให้กับเด็กวัยรุ่นนะคะเ<อ>ชี่ยวฟังพ่อแม่ตั <c oughs> ้งใจเรียนหนังสือเที <c oughs> ่ยวน้อ ย, อยเล่นน้อ ย, อยเรียนให้มากๆตอนนี้นะหน้าที่ของเราคือการเรียนโตขึ้นแล้วค่อยไปเล่นต่อได้ อันนี้ถ้าเรียนไม่ดีต่อไปไม่มีเงินเล่นนะถ้าเรียนดีต่อไปจะมีเงินเยอะจะเล่นอะไรก็เล่นได้นะโอเคต้องพยายามเรียนไปก่อนแล้วต่อไปเราจะได้หาเงินเองได้เราจจะเล่นอยากจะเที่ยวที่ไหนก็ทําได้โอเคนะเป็นคนดีอย่าทําบาปอย่าทําผิดกฎหมายถ้าจะมันยะุ่งขมเลย ที่กังก้าวเข้ามาอืมสําหรับเด็กรุ่นนี้เนี่ยคือคุณแม่มองว่าหลายครอบครัวที่รู้สึกโกรธว่าเอ๊ะถ้าอย่างเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาต้องพาให้เขาหาธรรมะเรื่อยๆพาเข้าวัดฟังเทศต้องทําพาก็ทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาอันนี้จะเป็นภูมิป้องกันภัยต่างๆได้ดีที่สุดมไม่ว่าจะมีภัยอะไรมาก็ ถ้ามีภูมิคุ้มกันแล้วมันไม่สามารถมาทำลายจิตใจเราได้นะยึดแนวยึดแนวคำสอนของพุทธเจ้าไว้ไปปฏิบัติทำทานอยู่เรื่อยรักษาศีลภาวนานะสอนลูกให้ใส่บาทสอนลูกพาลูกไปทำบุญทำทานอย่างนี้นะนะทำให้เป็นกิจกรรมให้ติดเป็นนิสัยไปอืงคร้ว่าก่อนนอนก็ไหว้พระสริมม น, นั่งสมาธิกันบ้างเปิดให้เปิดธรรมะฟังกนะันะ แล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันแต่ถ้าไม่ไ ม, ไ, มไม่ฉีดวัคซีนมันก็ไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติทํามันก็จะไม่มีนะโอเคท่า น, นี้กจารณาจะไปบวชในรกันบวชเนรปิดเทอมไปบวชในรกัน้นอาจารย์รับไหมคะท่ที่นี่เราไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเราคร<ะ>ับ แต่ที่ไหนเขาว่าที่เขาเขารับเข้าไปเลยเขตอนแรกจะไปบวชกับท่านมรเอขาบอกแม่เดี๋ยวขอปีหน้าพการเพออ่มอมรสิปุ๊บเขาก็จะรอรอไปเลยเอาเลยต้องต้องหาเวลาไปบวชบ้างค <ฮะ S 1> เป็นการเรียนเหมกันเป็นพระเป็ น, เ, ปนเรียนทางจิตาศาสตร์อจิตจะได้มีภูมิคุ้มกันจิตของพวกเราทุกวันนี้มันไม่มีภูมิคุ้มกันกันไม่มีธรรมะมันก็เลยลน้มเหลวกัน งั้นพยายามตอนนี้ยังไม่สายกันไปยังกํลาลังโตอยู่ให้เขาบวชบ่อยๆปิดเทอก็จับบวชปิดเทอมก็จับบวชไปเรื่อยเราจะรู้จักวิธีดูแลรักษาใจเขาต่อไปแม่ก็พยายามจะให้เขานั่งสมาธิก่อนอเราต้องทําเราต้องพาเขาทําด้วยต้องทำพร้อมกันเป็นกิจกรรมของครอบครัวไปทุกวันก่อนนอนวายพระสวดมนว์นั่งสมาธิกันโอเคนะ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการถามตอบคำถามใครอยากจะถามเองก็เข้ามาถามได้หรือถ้าไม่อยากจะเข้ามาถามเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube มันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะทาง Facebook พระอาจารย์485 YouTube พระสุชาติไลฟ์292 YouTube Dr.V c h ร n ว e l 103วิ t h y ออ o นไลน์5 ขับเท้าสิบหน้ากุฏิ152รวม1 4 7่่ค่ ะ, ะเชิญถามได้เลยท่านมีคำถามอะไรค่ะมีคำถามฝากถามจากหน้ากุฏิสองคำถามค่ะสำหรับท่านแรกข้อแรกนั่งสมาธิฟุ้งซ่านมากมีวิธีการใดที่จะช่วยได้พุทโธก็ยังฟุ้งซ่านค่ะก็ต้องหยุดความคิดก่อนที่จะมานั่งไม่ใช่มาหยุดตอนที่เรานั่ง เหมือนขับรถเนี่ยเวลาเราจะไปจอดที่สีแยกไฟแดงเราไม่ไปแตะตอนที่ถึงสีแยกไฟแดงเราไม่ได้ไปเบรกรถตอนนั้นนะถ้าไปเบรกตอนนั้นมันก็ต้องทะลุสีแยกไปเนี่ยเพราะมันไม่มันต้องใช้เวลาหยุดใจเราก็เหมือนกันใจเราจะหยุดความคิดได้ก็ต้องใช้เวลาเราต้องหยุดมันก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิไม่ใช่มานั่งสมาธิแล้วจะให้มันหยุดมันฟุ้งอยู่มันก็ฟุ้งต่อไป ต้องลดความฟุ้งให้มันน้อยลงไปก่อนที่จะมานั่งต้องฝึกสติทัท้งวันลืมตาขึ้นมาพอมันจะเริ่มคิดก็เริ่มแตะเบรกได้เลยถ้ามันไปคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดก็แตะเบรกพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าทำอย่างนี้แล้วความคิดมันจะไม่ฟุ้งเวลามานั่งมันจะสงบได้ง่ายและเร็ว คำถามข้อสุดท้ายมีโอกาสใหม่คะ่ะที่พระอาจารย์จะเริ่มเทศเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิการถติดมากค่ะเวลาช่วงเย็ยนกลับกรุงเทพอ๋อก็มีของเก่าดูมันก็เหมือนกันละ่ะดูเวลาไหนก็ได้อยู่ได้ตลาด24ชั่วโมงเราจะไปทําตามใจคนเป็นร้อยเป็นพันเราทําใจไม่ได้คนนึ่งยาว10โมงคนยาว9โมงคนยาวเที่ยง เราก็ตายแ น, นั่นงถ้าเราไปหาเวลาทำตามความต้องการของคนสมัยนี่เราก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถดูฟังได้ทุกเวลาถึงแม้จะเป็นของที่บันทึกไว้มันก็เหมือนของใหม่ดีๆนี่แหละเพราะว่ามันก็เป็นการพูดสดมาตลอดมันก็เป็นเหมือนของสดตลอดเวลาเะ็ั้นฟังเวลาไหนก็เหมือนเหมือนกับได้ฟังสดสดร้อนๆ อ, อยู่คถามจากนากุติท่านที่สองค่ะ คำถามแรกความสำเร็จทางโลกกับความสำเร็จทางธรรมสวนทางกันใช่ไหมคะก็มันไม่คนละทางนะคนละทางทางโลกก็ชั่วคราวตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ความสำเร็จทางธรรมนี้ถาวรตายไปก็ยังเอาไปได้อยู่เป็นโสดาบันก็ยังเป็นเอาไปเป็นไปเป็นต่อได้เป็นเทวดาก็ไปเป็นเทวดาต่อเป็นเปรก็ไปเป็นเปรตต่อ ่ททีาทาคำถามข้อสุดท้ายการปฏิบัติธรรมเป็นการเร่งบุญและบาปหรือเปล่าคะเร่งบุญและบาปการปฏิบัติธรรมก็มีแต่เร่งบุญละบาปไม่ได้เร่งบาปลดบาปตัดบาปตัดกิเลนคือการปฏิบัติธรรมคำถามหน้าคุดิจากท่านที่สามค่ะถ้าเราถือศีลแปด แต่วันนั้นติดประชุมไม่สามารถทานข้าวก่อนเที่ยงให้เสร็จได้เนื่องจากติดประชุมเลยเวลาเที่ยงถือว่าผิดศีลใหม่ครับไม่หรอกถ้าเราตั้งนาฬิกาของเราไว้11โมงตั้งให้มันช้าสักชั่วโมงหนึ่งอ่านเวลาเที่ยงแลว้วล่ะของเรานาฬิกาเราก็เป็น11โมงมันก็ไม่ผิดศีลนะเรายึดนาฬิกาเราเป็นหลักซีใช่ไนม ชอบใจถ้ามันเป็นสมมติเท่านั้นแหละเวลามันก็เป็นสมมุติใช่ไหมเที่ยงวันแล้วก็สมมุติก็เป็นเที่ยงวันอีกสิบเอ็ดโมงแล้ไมก็ถึงเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆนะบางประเทศวันนี้เวลาเมื่อก่อนใครเป็นสิบเอ็ดโมงตอนนี้เป็นสิบสองโมงไปแล้วอ๋อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ทำไมเราเปลี่ยนของเราไม่ได้ถ้าเราถ้าเราอยาจะถือศีลแปดเราไปทํางานแล้วก็ตั้งเวลาให้มันช้าสักชั่วโมงอ่พอถึงเวลาเที่ยงแล้วก็ของเรากแค่สิบเอ็ดโมง ออยัาง ก, กินข้าวได้ค่ะมันถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะคำถามค่อนข้างยาวขออนุญาตอ่านเร็วนะเจ้าค่ะกลับเท้าหลวงพ่อเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อกดแห่งกรรมไม่มีเหตุบังเอิญในโลกใบนี้ทุกสิ่งเกิดจากเคที่เราเคยทำมา ท, ทั้งสิน้นกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าการใช้ชีวิตเราก็ไม่ต้องระวังอะไรมากใช่ไหมคะทาปัจจุบันให้ดีแล้วไม่ประมาทก็พอ แต่ก็ยังสงสัยว่าเวลาเราขับรถบนท้องถนนรถใหญ่ประมาทหรือชอบรังแก ร, รถเล็กก็าอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุจากการกระทําของรถใหญ่ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นหมวดจากการจักรกรรมในอดีตเหมือนกันที่ทําให้เราเกิดอุบัติเหตุถ้าเราใช้รถใหญ่เหมือนกันเราก็จะปลอดภัยกว่าไหมคะอย่างน้อยก็ดีกว่าขับรถเล็กหรือว่าให้เชื่อกฎแห่งกรรมคะ่ะขับรถอะไรก็เกิดเรื่องหมวดเจ็บตายเท่ากันเจ้าคะ่ะอย่าไปใช้รถเสียอย่าไปขึ้นรถมันก็หมดปัญหาไป เดินข้างถนนก็ได้เดินไปื อ, อ่าไปไหนได้ก็ดีอย่า ง, างเราไม่เห็นต้องใช้รถเลยใช้แค่วันตอนเช้าไปบินทบาทนะนั้นก็ไม่ได้ใช้รถใช้ลาถามจากคุณแอมรูกรู้สึกเป็นผู้มีกรรมทางคำพูดกับพ่อแม่ที่เห็นและเข้าใจต่างกันอยากให้เขาเห็นและเข้าใจเช่นกันกันกบเราลูกควรคิดอย่างไรเจ้าคะ เราไม่ควรคิดอย่างนั้ น, นคนที่ว่าต่างคนต่างความเห็นนานาจิตต่างเขาจะคิดเขาจะเห็นอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราจะคิดเราจะเห็นอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเราไม่ควรที่จะเอามาบาังคับให้เห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันคําถามจากคุณนัฐพลสงสัยว่าทําไมจิตเวลาตายทําไมไม่สูญครับไม่สูญก็มันไม่ได้ตายมันก็ไม่สูญเลยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม คำถามจากคุณแอมลูกชายกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเขาไม่ข้อยอมฟังธรรมโสดม์และนั่งสมาธิเจ้าค่ะช่วงเด็กพาเขาไปปฏิบัติธรรมมาตลอดเจ้าค่ะลูกควรหาวิธีอบรมเขาเช่นไรเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเขาเขาจะยินดีรับการอบรมหรือไม่เพราะเมื่อเขาเริ่มโตขึ้นเขาก็จะเป็นตัวของเขามากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราบอกเขาแล้วเขาไม่ฟังก็ต้องปล่อยเขาไป เรามีหน้าที่สอนนักมีหน้าที่บอกแต่เราไม่สามารถไปบังคับเขาได้ในเมื่อเขาโตเขาเป็นตัวของเขาเองแลถ้าเราไปบังคับเขาก็อาจจะเกิดการทะเลกกาะกันโ ก, กรธ ก, กรันเกิดโกรวเกลียดกันขึ้นมาก็ทําให้เสียหายความสัมพันธ์ที่ดีได้ดงนั้นบางทีเราก็ต้องรู้จักขอบเขตว่าเราทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็ทําไปบอกเขาได้บอกไป <c oughs> แต่สิ่งที่เราทำไม่ได้ก็คือไปบังคับให้เขาทำตามที่เราบอกคำถามจากคุณปูเป้คุ ณ, คณพ่อของหนูท่านไม่สนใจในพระพุทธศาสนาและชอบตีไก่เคยพยายามบอกคุณพ่อให้เลิกเล่นแต่ท่านไม่สนใจหนูควรทำอย่างไรคะก็เรื่องของท่านน่ยเราท่านไม่ได้เป็นเราเราไม่ได้เป็นท่านน า, นานาจิตตังคนเราชอบไม่เหมือนกัน บางคนชอบทำบาปบางคนชอบทำบุญก็ชวนกันได้แต่จะมาไม่มาก็เป็นเรื่องของเขาเราชอบทำบุญก็ชวนเข้าไปทำบุญเขาไม่ไปก็ก็แล้วแต่เขาเราไปบังคับเขาไม่ได้หมดแล้วเหรอมีคำถามครับอาจารย์แต่เป็นคำถามสั้นๆกาศากุลอมันกาชอบปิดตัวกังวลรบกวนสอบถามพระอาจารย์ครับ และอีกคำถามหนึ่งแยกรูปนามได้แล้วรบกวนสอบถามสอบถามครับเป็นท่านเดียวกันค่ะ่ า, ไไาใจคือเขาบอกว่าออชอบติดออชอบเป็นคนกังวลแล้วก็เขาเป็นคนที่แยกรูปนามได้แล้วควรจะทำอย่างไรต่อเจ้าคะถ้าแยกรูปนามได้แล้วมันก็ไม่ต้องกังวลที่มันกังวลเพราะมันแยกไม่ได้เหนนก็เปนมันขัดกันอะ่ะถ้า ร, รูปนามมันเป็นตายรัก็มันก็หายกังวล แต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นตายรักมันก็เลยเป็นไปกังวลกับมันอยากจะให้มันไม่เป็นตายรักนั่นเองคำถามจากคุณนิตยาหากเราไม่มีครอบครัวเราควรเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเจ้าคะก็ไม่รู้แหละตัวใครตัวมันจะมาถาม <laughs> เตรียมตัวจะสำหรับเราก็เตรียมตัวตายเท่านั้นนะ่ะเตรียมไม่ว่าจะมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวก็ต้องเตรียมเตรียมตัวตายให้ได้ต้องยอมรับความตายให้ได้ชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนวันหนึ่งก็ต้องคอยสืบจุดจบทุกคนไม่ว่าจะตัวคนเดียวหรือหลายคนมันก็ไปที่จุดเดียวกันเหมือนกันหมดคือเราต้องถัดตายกันให้ได้ยอมรับความตายให้ได้แล้วเราจะได้สบายในขณะที่อยู่และขณะที่เราตาย คำถามจากคุณเจริญเวลาความคิดของเราฟุ้งซ่านคิดมากมันหยุดยากมากค่ะพระอาจารย์ได้ติดตามฟังธรรมของพระอาจารย์มาแปเดือนแล้วส่วนใหญ่จะฟังย้อนหลังพยายามเอาสิ่งที่ได้ฟังปฏิบัติแต่ยังทําไม่ได้แสดงว่าลูกมีกรรมมากอยู่ใช่ไหมคะแต่พยายามจะมีสติและพุโทโธในใจเรื่อยๆจนกว่าจะพบสิ่งเรียกว่าสุขทางใจให้ได้ค่ะขอคําแนะนําพระอาจารย์ด้วยค่ะอ๋อไม่ใช่กรรมหรอกมันเรื่องของความใจร้อน เวลาอยากจะได้อะไรอยากจะได้ปุ๊บได้ปั๊บเลยเหมือนตอนนี้สั่งของออนไลน์เห็นอะไรปุ๊บก็สั่งได้ปั๊บเลยแต่ธรรมะมันไม่ได้เป็นของออนไลน์มันเป็นเหมือนกรุงโลมกรุงโลมไม่ได้สร้างขึ้นมาภายในวันเดียวตงใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆเกิดผลมันเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้วันนี้ไม่ใช่จะให้มันออกดอกออกผลขึ้นมาทันที ต้งใจเย็นๆหมั่นดูแลต้นไม้รักษาต้นไม้ลดน้ำพรวนดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็โตแล้วมันก็จะออกดอกออกผลมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันใจของเราจะออกมารคผลนิพพานขึ้นมาได้ก็ต้องใช้เวลาทําบุญทาทานรักษาสิงภาวนาไปเรื่อยๆคําถามจากคุณกายาการฝึกปฏิบัติภาวนาสุดท้ายคือการเอาชนะความกลัวตายใช่ไหมคะชนะความอยากอยากอยู่ อยากไม่ตายพอไม่มีความอยากอยู่อยากไม่ตายแล้วมันก็จะไม่กลัวตายคือการปฏิบัติเพื่อตัดความอยากทั้งหมดไปให้ได้อยากมีอยากมีก็อยากอยู่อยากไม่อยากไม่มีก็อยากไม่ตายแล้วต้องหยุดไอภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้ให้ได้ถ้าไม่มีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันก็ไม่มีทุกข์ตามมันก็ไม่มีความกลัวหมดแล้วเลย โอเคเมื่อไก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิริศพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ